ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายประสู์ในวันนี้ก็จะนำเรื่องชาดกที่ใช้ชื่อว่าสัมพูตาชาดกมากล่าวสัมพูตาชาดกนี้เป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงปรารพภิกษุสองรูป ไปเป็นสหายกันมาตั้งแต่เป็นเด็กและเมื่อมาบวชในสำนักของพระหมหากัศสปะเทระ <c oughs> ก็เป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยเอื้ออาทรเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันว่ากล่าวตักเตือนกันไม่เคยมีการถกเถียงทะเละวิวาทกันเลยซึงกลายเป็นเรื่องอัศจรรย์สำหรับภิกษุที่ได้พบเห็น จึงได้มาสนทนาปรารภกันพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาในที่ประชุมของท่านเหล่านั้นและสอบถามท่านก็กล่าวทูลว่าการที่ภิกษุสองรูปมีความสนิทสนมรักใครผ่ผูกพันกันมาตั้งแต่เป็นเด็กโดยไม่เคยทะเลาะกันนั้นเป็นเรื่องที่อศัศจรรย์มากพระพุมียภาคพีงแสดงว่า ที่จริงเรื่องนี้โบราณบันดิตก็มีการประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่เสริมสร้างความคุ้นเคยสนิทสนมไม่แตกแยกกันข้ามภพข้ามชาติเป็นนันมากได้ตั้งหลายชาติก็ยังมีพิสูจน์ต่งหลายก็กราบทูลราษนาให้สูงแสดงประรับสั่งเล่าว่าในอดีตการนานไกลพระโพธิสัตว์ได้ อุบัติในสกุลของคนจันทานแลในขณะเดียวกันลูกของน้าสาวคนหนึ่งซึ่งก็เป็นคนจันทานเหมือนกันเอากลอดลูกมาเป็นผู้ชายเมื่อทั้งสองคนเจริญเติบโตขึ้นก็มีความรักใคร่สนิทสนมกันเป็นนันดีไปไหนไปด้วยกันต่อมาทั้งสองคนได้ศึกษาความรู้ ซึ่งเป็นวิชาที่พวกจันทานจะต้อง เ, เรียนศึกษาเมื่อจบวิชาความรู้แล้วก็ไปแสดงศิละปะเพื่อเป็นเครื่องมือในการห า, ากิน แ, แสดงกันคนละด้านของมืองคือคนหนึ่งด้านแสดงด้านประตูทางทิศตะวันตกคนหนึ่งแสดงประตูด้านทิศตะวันออกก็ในขณะที่ทั้งสองคนกําลังแสดงกันจุดนั้น มีกุลธิดาในสกุลของพระมหาศาลพร้อมด้วยบริวารตกแต่งประดับประดาร่างกายเพื่อไปเที่ยวในวันนักขัตฤกิ์มาพบเห็นการแสดงของควายหนึ่งก็สอบถามทราบความว่าเป็นการแสดงของคนจันทานกุลธิดาผู้นั้นก็พูดว่า วันนี้เราพบเห็นบุคคลที่เป็นอัปมงคลเป็นเสนียดแก่ายตาจึงไม่ปรารถนาที่จะไปเที่ยวแล้วก็เรียกให้เอาน้ำมันจันย่างดีมาล้างตาเพื่อตัดเสนียดจังไรออกไปในพวกบริวารที่ติดตามนางกุณฑิดาคนนั้นมาก็มีความรู้สึกเกิดโกรธโกรธแค้นต่อจันทานผู้น้อง ก็รุมกันทุบตีจนบาดเจ็บสะหะาหัสควายจันทานคนพี่ก็ถูกทุบตีเช่นเดียวกันเพราะไปปรากฏตัวคนอื่นเขาเห็นก็ถือว่าเป็นเสน่ห์จังไรแก่เขาทั้งสองคนได้พาร่างกายที่สะบักสะบอมมาพบกันแล้วก็เล่าสู่กันฟัง พอมาพิจารณาทบทวนว่าการที่เราถูกสังคมรังเกียจเยียดหยามในลักษณะนี้ก็ไม่ใช่เพราะอื่นไกลเลยไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างไม่ได้เ ก, กี่ยวกับศิลปะไม่ได้เกี่ยวกับ ก, การงานแต่เกี่ยวกับชาติสกุลของเราเพราะเราเกิดในสกุลจันทานท่านนั้นเองจึงถูกรังเกียจเยียดหยามอย่างนี้และในที่สุดทั้งสองคนก็ ตกลงกันแล้วก็ปลอมตัวเป็นพราม์นีออกจากเมือง น, นั้นไปศึกษาอยู่ในสำนักของอาจารย์ที่เป็นพรามเรียกว่าธรรมมันเตวสิกศึกษาทั้งสองคนก็ศึกษาได้ในเวลารวดเร็วแล้วก็แตกฉานมากต่อมาวันหนึ่งมีพรามคนหนึ่งมาในบนพรามอาจารย์หรือเชิญพรามอาจารย์นั้นไปที่บ้านเพื่อจะเลี้ยงอาหาร ตามธรรมเนียมพราหมณ์คือสวดมนต์สาธยายพระเวทพราหม์อาจารย์ไปไม่ได้เพราะฝนตกดันไม่ค่อยสบายฝนตกก็ไปไม่ได้ก็ส่งพราหมณ์ลูกศิษย์สองคนนี้กับเพื่อนผูงให้ไปในบ้านพราหม์นั้นก็ตกแต่งอาหารข้าวปลาญาติไปเป็นนันมากเพื่อจะเลี้ยงพราหมณ์โดยคาดหมายเวลาว่า เมื่อพวกพรามมาถึงนั้นข้าวปลายาติก็คงจะอุ่นกระรับประทานได้พอดีแต่พอดีเป็นพรามหมณ์หนุ่มๆก็ไปกันเร็วเมื่อไปถึงปรากฏว่าข้าวปลายาจอย่างไม่ทันอุ่นพอที่จะรับประทานได้แต่พวกโรกศิษย์ของพราหมณ์คนอื่นนั้นเขาก็รู้วิธีรับประทานแต่สองคนนี้ไม่รู้เรื่องข้าวปลายาจเพราะไม่เคยกินก็เลยก็ พอรับประทานก็รับประทานเข้าไปเต็มที่เลยมันก็ร้อนไอ้คนน้องก็อุทานด้วยมาออกมาเป็นภาษ า, าจันทานคนพี่ก็ร้อนเหมือนกันก็อุทานออกมาด้วยภาษ า, าจันทานเหมือนกันก็เป็นการโต้อตอบกันซึ่งพวกพรามที่ตามไปนั้นไม่มีใครฟังออกว่าเป็นภาษาอะไรต่อมาเมื่อเสร็จในพิธีแล้วพวกลูกศิษย์ ของพรามที่เป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ยมันก็เดินถกเถียงกันมาว่าเป็นภาษาอะไรก็มีคนบางคนเคยได้ยินทอดคมเช่นนี้แล้วก็ชี้แจงให้เพื่อนก็เข้าใจว่าเป็นภาษ า, าจันทานก็ไปฟ้องอาจารย์อาจารย์สืบสาราวเรื่องข่าวสองคนนี้ก็ต้องสารภาพว่าพวกเขาเป็นจันทานก็ถูกขับถูกในระเทศแล้วก็ไล่ออกไป แต่อาจารย์ที่เป็นพรามเองนั้นท่านก็ยังมีเยอใหญ่ยังไงก็เป็นสิทธ์คือจะเป็นอะไรก็เป็นสิทธ์ท่านก็รกลูกสิทธ์ทั้งสองมาบอกว่าพวกเธอก็คงจะอยู่ในสังคมก็บเขาไม่ได้หรอกเพราะมันถูกสังคมรังเกียจมากก็ขอให้ออกบวชเป็นฤาษีไปเลยทั้งคู่เพื่อจะหลีกหนีบุคคลอื่นเขาทั้งสองคนก็ตกลงไปบวชเป็นฤาษี มันเป็นเพียรอยู่ในป่าปตามรัฐธรรมเนียมที่สั่งสอนกันในสมัยนั้นก็เสร็จแล้วทั้งสองพี่น้องที่เป็นฤาษีก็ตายไปก็ไปบังเกิดเป็นเนื้อทั้งคู่ก็บังเกิดร่วมกันอีกไรักใคร่สนิทสนมไปไหนมาไหนด้วยกันอีกในชาติที่เป็นเนื้อต่อมาวันหนึ่งก็ยืน เอาหัวชนกันก็อิงกันในลักษณะคือไม่ใช่ไม่จะโกรธกันคือชนกันด้วยความรักพอมีคนมาพู้นายพรานมาฆ่าตายหมดทั้งคู่ก็ตายพร้อมกันอีกเลยไปเกิดอีกไปเกิดเป็นนกเป็นนกมันก็ผูกพันกันอยู่อีกไปเที่ยวหาอาหารอะไรแต่อะไก็ไปด้วยกัน จนมาวันหนึ่งนายพรานมายิงตายพร้อมกันอีกต่อจากนั้นก็ไปเกิดอีกนกตัวพี่นั้นก็ไปเกิดเป็นบุตรของพรามหาศาลจะมีตำแหน่งเป็นปุโรหิตแต่พอดีเกิดแล้วท่านระลึกชาติได้ย้อนไปสามชาติก็มาพิจารณาถึงสังสารวัตรที่ท่านผ่านมาสามชาติสีชาติทั้งเป็นบุตรปุโรหิตเห็นว่าชีวิตนี้ แล้วก็สาหัสสาการประสมปู่นก็ขึ้นขึ้ น, นลงล ง, ลงมากไปเกินก็ไม่ปรารถนาที่จะครองเรือนเมื่อศึกษาจบตามหน้าที่ของลูกบุรหิตแล้วลูกพราหมณ์บุรหิตแล้วแต่ที่จะรับตำแหน่งแทนบิดาท่านก็ออกบทไปส่วนนกตัวน้องก็เกิดเป็นโอรสของกษัตริย์ได้ชื่อว่าสัมปูตาราชกุมาร คนโน้นก็ชื่อว่าจิตตะจิตตะกุมารจิตตะกุมารเมื่อออกบวชไปแล้วก็คิดถึงว่าจะดึงคือท่านระลึกชาติได้ก็เห็นว่าเป็นน้องกันมาทั้งสมชาติก็นึกจะไปชวนมาบวช ด, ด้วยแต่พอดีคนที่เป็นพระราชาคือสัมภูตะกุมานั้นราชกุมารนั้นแทนที่ท่านจะระลึกชาติ ที่เป็นเนื้อกับเป็นนกได้แต่กลับระลึกได้ชาติที่สีคือระลึกชาติที่เป็นจันทานก็ชื่นชมกับบุญกุศลในสมัยที่ท่านบวชเป็นฤาษีเพราะเพราะท่านกระทำความดีก็ทำให้ท่านได้มาเกิดเป็นพระราชาก็ปรารถนาที่จะครองราชาสมบัติเป็นพระราชาต่อไปเพื่อจะได้ทำความดีและจะได้เกิดดีอยู่อีก จิตะฤศีนั้นรอคอยอยู่เป็นเวลานานที่จะดึงพระราชาออกมาให้ได้ต่อมาพระราชานั้นท่านพ้นออกจากระลึกชาติได้แล้วไอ้ใจท่านก็คิดถึงพี่ชายจึงเคยเป็นพี่ในชาติที่สีเนี่ยว่าทำยังไงไปเกิดที่ไหนอยู่ยังไงก็ไม่รู้ก็อยากจะพบก็แต่งขึ้นเป็นคำกรอนให้คนไปเที่ยวขับในที่ต่างๆคือถ้าหากว่า เป็นพี่ชายในชาติที่สี่ของท่านก็คงจะขับตอบได้ใช้เวลานานประมาณส4 0ี่สิปีเมื่อประชนอายุประมาณ4ี่สี่สปีเนี่ยท่านฤาษีจิตตะฤาษีก็เห็นว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะดึงพระราชาออกปวดเพราะทาไมอย่างนั้นก็คงจะทำบาปทำกรรมประเดี๋ยวก็ไปโดนฆ่าเหมันก็สมัยเป็นเนื้ออกีกท่านก็มาพักอยู่ในอุทยาน ปรากฏว่าประชาราษฎรในเมืองนั้นประราชาสอนเพลงนี้ให้ขับไปหมดเลยโดยราษฎรเองไม่รู้เป็นว่ามันเป็นปริศนาเข้าใจว่าเป็นเพลงที่ประชาชนโปรดปรานก็ขับกันทั่วบ้านทั่วเมืองท่านฤาษีได้ยินข้าวก็เรียกเด็กมาแล้วถามว่าไอ้เพลงขับเหล่านี้เธอที่เธอขับไปเนี่ยเธอเข้าใจความหมายหรือเปล่าไปบอกว่าไม่เข้าใจแต่ว่าพระราชาท่านชอบ พ่อแม่ก็สั่งสอนให้ขับแล้วท่านก็ถามมันเถือเข้าใจคาตอบหรือเปล่าก็บอกไม่ไม่ทราบนั่นกันฤษีก็แนะคาตอบให้ก็ให้เด็กสองคนเนี่ยมานั่งท่องท่องคําตอบทุกคําถามทุกทุกเอ่อทุกบทคําของเพลงที่ประชาท่านให้ราษฎรท่องเด็กเหล่านั้นก็มาขอเข้าเฝ้าพระเจ้าสัมผูตะราช ก็ขอขับเพลงถวายขับโต้ตอบกันไปโดยใจความก็คือว่าในคำถามแรกนั้นเป็นการพันนาถึงความสุขในสมัยที่ตนเป็นฤาษีอยู่และบาเพ็ญเพียรปฏิบัติในฐานะเป็นฤาษีด้วยกุศลและกรรมเหล่านั้นก็ทาให้ท่านเกิดไาเป็นพระราชาคืออีกสองชาติท่านนันท่านไม่รู้ก็นึกว่ามันก็พุ่งตรงมาถึงก็เป็นพระราชาเลยเราเห็นว่า เมื่อวันนี้ท่านก็คิดถึงพี่ชายของท่านไม่รู้ว่าไปเกิดในที่ใดไปอยู่อย่างไรก็ ป, ปรารถนาที่จะพบกับพี่ชายไอ้คากรนที่จิตตะฤสีให้เด็กท่องมาตอบนั้นท่านก็บอกว่าแท้จริงแล้วเราได้เกิดมาในสกุลของคนจันทานจเจริญเติบโตมาในสกุลของคนจันทานบางครั้งก็ต้องนอนอยู่บนพื้นดิน ปะปนอยู่กับแม่สุนัขลูกสุนัขวังทีก็ครานไปจะกินนมแม่ก็ไปกินน ม, นมสุนัขครุกขีอยู่กับลูกสุนัขแล้วถูกรังแกเบียดเบียนสารพัดซึ่งในชาตินี้ก็บรรยายโดยละเอียดได้เพราะว่าพระเจ้าสัมผูตรารท่านก็ น, นึกออกแต่ในที่สุดก็ได้ออกบวชแต่ว่าความไม่แน่นอนของกรรมนั้นก็ทาให้เราต้องเกิดเป็ น, เ, ปนเนื้อ ถูกนายพรานก็ฆ่าตายแต่จากนั้นยังมาเกิดเป็นนกอีกก็ยังถูกนายพรานฆ่าตายอีกเวลานี้กธอน้องชายของเรานั้นได้เป็นปราชากําลังชื่ดจมอยู่ในสุขสมบัติถ้ากว่าเธอจะอยู่เช่นนั้นอีกก็คงจะประสบกับความหมุนเวียนที่รุนแรงเช่นนั้นก็ปรารถนาที่จะให้เธอออกบวช ทีนี้พระเจ้าสัมผูตะเองนั้นเมื่อได้ฟังเพลงขับบทนี้ก็เข้าใจว่าเด็กนั้นเน่ยคือพระเจ้าจิตตระไอะคือคื อ, คอจิตตะกูมาหรือจิตตะฤศีที่เคยเป็นพี่ท่านในชาติก่อนก็สอบถามเด็กก็บอกก็ไม่ใช่หรอกแต่ว่าท่านเรียนมาจากเกเรียนมาจากฤษีคนหนึ่งพระเจ้าก็ชื่นชมยินดีต่อคำขับของเด็กแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้มาก ียกให้บ้านสวยหนึ่งบ้านเสร็จแล้วพร้อมด้วยบริวารก็ไปพบกับจิตตะฤศีก็ต่างคนต่างระลึกชาติได้มพนก็พูดกันด้วยภาษาคือความราบซึ้งความรักความผูกพันในชาติที่สี่แล้วก็พูดจากันรู้เรื่องแล้วก็ น, นึกทบทวนกันในสมัยนั้นจิตตะฤศีก็ชี้แจงให้พระเจ้าสัมพูตะเข้าใจว่า ชีวิตของคนเรานั้นขอให้หลองสังเกตดูมันสิปี10ครั้งเป็นอย่างมากท่นานใช้คำว่า10ปี10ครั้งเป็นอย่างมากโดยชี้ว่าไอส้สปีแรกก็เป็นวัยของความสนุกสนาน10ปีที่2ก็สนใจไปในเรื่องการเล่นสนใจในเรื่องความรัก10ปีที่3ก็เป็นเรื่องของการทํางานสร้างฐานะครอบครัว10ปีที่4 ก็เริ่มจะทำงานหนักเพื่อให้ครอบครัวของตนมั่นคงขึ้น10ปีที่หก็มีสติปัญญามองเห็นทิศทางทั้งรอบด้านแล้วคือมองได้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแล้ว10ปีที่6ความเสื่อมก็เริ่มจะปรากฏลงป10ปีที่7อําอำนาจในการบังคับบัญชาวควบคุมร่างกายก็ชักจะเอาอะไรไม่ค่อยได้10ปีที่8ไปไหนก็ทุลักทุเลเต็มทีสิปีที่9 ตัวร่างกายก็ทุกพ ล, ลภาพลงไปประสิปีที่10มันก็มีแต่นอนลูกเดียวก็ไอ้นี้บาลีตอนนี้ถ้าท่านทั้งหลายลองนึกในหมู่คนไทยเราเราก็มีอะไรอยู่ในทางภาคอีสานก็มีภาคเหนือก็มีภาคกลางก็มีที่ท่องท่องกันไว้เป็นสตอนเนี่ยเป็น10ตอนด้วยกันแบ่งไว้เป็น1ิตอนด้วยกัน แล้วก็ท่านก็ดึงเรื่องเข้ามาบอกว่าขอให้ลองทบทวนดูว่าชีวิตเราไม่ได้เป็นสุขอย่างที่น้องเข้าใจหรอกเพราะว่าในสมัยชาติก่อนที่เราเกิดเป็นจันทานนั้นเราเคยถูกทุกข์ทรมานอย่างไงซึ่งก็คล้ายๆกระทบทวนความเก่าวที่ต่างคนต่างรู้กันแล้วท่านก็ตอกย้ำเตือนว่าแท้ที่จริงนั้นน้องลืมไปไม่เราไม่ได้ตายจากฤาษีแล้วก็มาเป็นประชาชนหรือพี่เป็นลูกปรหิตรหรอก แต่จริงๆแล้วเราตายจากฤาษีนั้นเรามาเกิดเป็นเนื้อ้วยก่อนตายจากเนื้อเพราะถูกคนอื่นเขาฆ่าก็มากลายเป็นนกตายจากนกน้องก็มาเกิดเป็นในตระกูลพระชาพี่เองก็มาเกิดเป็นตระกูลโปรชิตล้วก็ท่านก็อธิบายชี้แจงถึงชีวิตที่บอกว่าไอา้0ครั้งนั้นมันเป็นเรื่องเฉพาะคนบางคนเท่านั้นเอง แท้แต่จริงแล้วชีวิตหานิมิตหาเครื่องกำหนดหมายไม่ได้ตั้งแต่เราเกิดมานั้นความตายเองมันก็แฝงเร้นเข้ามาซึ่งอาจจะปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อไรก็ไม่รู้แต่นนที่สุดเราเองพวกเราก็จะต้องเข้าสู่อำนาจของความตายแล้วก็ทรงชี้โทษของกรมทั้งหลายซึ่งในฐานะของพระราชาก็มีพวกวัตถุกรมเป็นนั้นมาก แต่ฤาษีท่านก็มองมาจากสายตายฤาษีฤาษีเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นของไม่ยั่งยืนเหมือนกับผลนาวที่เออผลไม้ที่รอคอยวันเน่าเปื่อยไปชีวิตของคนที่ปูกพันธ์อยู่ในกรมทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นเลยที่ซ้าร้ายขึ้นไปกว่านั้นก็คือเราจะต้องทํากาบเพราะกรมเป็นเหตุเพราะการมเป็นข้ามูลเพราะการมเป็นตัวกระตุ้นให้เรากระทาก่อนในที่สุดก็ชักชวนว่าบวชเถอะ จะได้อยู่ร่วมกันจะได้มาเป็นเพียนทางจิตด้วยกันพระเจ้าสัมภูตะนั้นท่านยังมองไม่เห็นคือท่านก็ไม่ยอมบวดแต่ในที่สุดพระโพธิสัตว์ก็ตอกย้าให้เห็นว่าอชีวิตบางทีนี่เราก็เอาอะไรมันไม่ได้แล้วก็ยกสมัยชาติที่เป็นเนื้อกับเป็นนกมาเอาก็จริงเราก็คุ้มครองตัวเราเองไม่ได้ผูกคนอื่นฆ่า บ, บ้างถูกประสบ ภ, ภัยอันตรายบ้าง หาความเที่ยงแท้แน่นอนอะไรไม่ได้ก็ตักเตือนแนะนำในที่สุดเมื่อพระเจ้าจิตตราชไม่ยอมไปจริงๆท่านก็ไปเองแต่ท่านก็ทิ้งไทยไว้ให้คิดว่าชีวิตนั้นหาเครื่องกําหนดหมายไม่ได้ขออย่าให้ประมาทอยู่ครอบครองสมบัติเมื่อไม่สามารถที่จะออกบวชได้ก็อย่าทำความชั่วเพราะาน้องทาความชั่วต่อไปเราอาจจะเกิดเป็นโคเกิดเป็นนกอีก แล้วก็อาจจะไม่พบกันเพราะว่าคนหนึ่งยึดมั่นอยู่ในหลักความดีแล้วมันก็มีที่ยืนมั่นคงแล้วอีกคนหนึ่งก็ไม่แน่าจากไอ้ถ้อยคำที่ท่านทิ้งท้ายไว้นี้เองพอท่านจิตตะรอสีไปแล้วพระเจ้าสัมภูตะก็นั่งคิดๆยด่ระยะหนึ่งเนื่องจากพวกอมตะข้าราชกาบริพารติดตามไปมากก็เรียกคนเหล่านั้นมาประชุมแล้วก็มอบราชสมบัติให้อรุรสท่านเองก็ออกบวดเป็นฤๅษี ประชาชนที่มานั่งฟังอรุสีโตกับพระราชาอยู่มากเนี่ยเวลาบวชก็จริงๆก็ไม่ใช่บวชพระองค์เดียวบุคคาราชบริพารที่นั่งฟังอยู่พิจารณาไปคล้อยตามเห็นตามในสุดก็ออกบวชกันเป็นอันมากแต่ทั้งสองท่านเมื่อออกบวชแล้วก็บำเพ็ญเพียรได้บรรลุถึงรูปประชานตายไปก็จุติในพรหมโลกแล้วก็ทรงสรุปชาดกในตอนสุดท้าย ว่าพระเจ้าไอจิตตะจิตตะกูมานหรือจิตตะฤสีในสมัยนั้นก็คือเราตถาคตในสมัยนี้สัมภูตกษัตรก็คือพระอานนท์ในสมัยนี้ใจความในชาดกนี้ก็ออกจะแปลกนะว่ากันตั้งสี่ชาติเลยแต่รประเด็นที่ที่น่าศึกษาก็มีอยู่มากเริ่มต้นก็คือลักษณะทางสังคมซึ่งก็มีมานานแล้ว แต่อย่าลืมมาโลกกัศน์ในพระพุทธศาสนานั้นเราไม่ได้มองในแนวที่นักโบราณคดีนักวิทยาศาสตร์เขาพูดกันว่าอายุ ข, ขนาดนั้นยุคนั้นประวัติศาสตร์ยุคหินยุคอะไรแต่ยุคทองออยุคเหล็กยุคทองเหลืองอะไรมันก็ว่ากันตามข้อมูลที่ค้นพบในสมัยหนึ่งเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันตัวเลขเหล่านี้มันก็เปลี่ยนไปมากมายแล้วพูดกันเป็นล้า น, านเป็น200ล้านสามรอล้านกันแล้วซึ่งในเรื่องเหล่านี้ศาสนาเราแสดงไว้นานแล้ว คือโลกมันจะมีลักษณะเป็นวัตจักรคือเป็นวงกลมมันจะหมุนขึ้นสูงสุดซึ่งในแง่ของศาสนาก็คือสูงสุดในด้านศาสนาและในที่สุดมันจะเสื่อมในด้านศีลธรรมมันจะเสื่อมเสื่อมเสื่อมลงไปโดยลำดับและแม้แต่อายุอะไรต่ออะไรมันก็จะเริ่มเสื่อมลงไปโดยลำดับเช่นเดียวกันอย่างในสมัยพุทธกาลอายุขยของคนโดยเฉลี่ยก็คือร้อยปีแต่ท่านก็บอกไว้ ในคมพีบอกว่าร้อยปีนี้อายุจะลดลงหนึ่งปีโลกผ่านไปร้อยปีอายุจะลดลงหนึ่งปีเพราะงั้นในปัจจุบันอายุเฉลี่ยเราถ้าตามตำนานมันก็ว่าจะเจ็ดสิบสี่ปีอายุเฉลี่ยก็เจ็ดิสี่ปีเอาก็จริงค่าว่าคนไทยไปไม่ค่อยถึงแล้วคงเมาล่ามากได้ไงไม่รู้ก็อายุเฉลี่ยเลยมีอยู่หกสิปีท่านเองผู้ชายตอนน้องหนุ่มเที่ยวมากไปไหนผู้หญิงดีหน่อยได้หกสิบหกปี แต่พวกไอกลุ่มพวกอะไรสวีเดนนอร์เวย์ก็บอกว่ามากหน่อยพวกนั้นถึง70กว่าปีอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในสังสารวัตรอันยาวนานนั้นไอรูปแบบของสังคมที่มีเชื่อถือประพฤติป ฏ, ป ฏ, ปฏปิบัติกันนั้นเป็นพฤติกรรมที่ซ้ำซอดการพูดถึงสังคมในชาดกก็ไม่ได้หมายถึงสังคมในสมัยของพระพุทธเจ้าแต่พูดถึงสังคมในอดีตซึ่งมีรูปแบบก็เหมือนเหมือนกัน นั่นก็คือการรังเกียจ ด, ดูหมิ่นกันระหว่างชาติชั้นวันณนะพวกที่มีวันณะสูงก็จะกดวันณะตามลงไปโดยเอาวันณะของตัวเองเป็นใหญ่โดยอำนาจอิทธิพลของของตัวเองที่ได้ฐานะจากสังคมก็กดดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่นเซึ่งความเชื่อในแนวนี้รู้สึกว่าพระโพธิสัตว์กับเพื่อนกับน้องชายนั้นกจะเป็นสุภาพบุรุษมากทีเดียว คือโดนถูกทุบตีโดยไม่มีปีไม่มีครุยเช่นนั้นถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะไม่ใช้วิธีนั้นคือในสมัยพุทธกาลเหตุการณ์ในแนวนี้ได้เคยเกิดขึ้นเหมือนกันหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเผยแผ่พระธรรมเทศนาไปในที่ต่างๆแล้วพวกจันทานซึ่งเป็นคนนอกวันณนะจันทานนี้ก็แปลกนะฮะว่าที่จริงมันถือจริงหรือถือเล่นก็เอาเอาเอาข้อยุติไม่ได้เพราะจากการสังเกตแล้วบางคนนี่ ที่จริงมันมีลักษณะเป็นจันทานแต่ว่าแกก็ได้อํานาจได้อิทธิพลอะไรแกก็เป็นใหญ่เป็นโตได้เช่นพระเจ้าวิถูทพะอย่างเงี้ยพระเจ้าวิถูทพะนั่นแม่เป็นลูกของนางทาสีแม่เป็นลูกของนางทาสีคือว่าเรียกว่ายายเป็นทาสีแต่ว่าซึ่งก็อยู่ในวันน่าสุดแล้วก็พ่อเป็นกษัตริย์โดยการผสมในแนวนี้ก็ถือว่าลูกเป็นจันทานต่อมาเอ๊ พระเจ้าวิธูสะพ้าเองก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินจึงไม่ใจสูตรที่ตายตัวคือถ้าแกร่ํารวยขึ้นแกมีอํานาจอิทธิพลขึ้นทุกคนก็คงต้องยอมแกแกจะเป็นวรณะอะไรมาก็ตามแม้แต่พวกฤาษีพวกนักบวชในสมัยนั้นบางคนก็เป็นจันทานแต่ว่าได้พิญญาโลกิยะที่ชํชนานิชํานาญมากกว่าคนอื่นพวกฤาษีทั้งหลายก็ยอมสยบเป็นลูกศิษย์ซึ่งในในความเป็นจริงแล้วของพระพุทธเจ้านั้นจริงกว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าไอ้วันณะสี่เนี่ยมันไม่ต่างกันวันณะใดก็ตามที่ร่ำรวยมีฐานะทางสังคมวันณะเดียวกันแล้ววันณะอื่นจะเข้าเป็นพวกของวันณะนั้นวันณะใดที่กระทําผิดกฎหมายของบ้านเมืองวันณะนั้นก็ติตคุกเหมือนกันวันณะใดที่ทําบาปทำอกุศลตายแล้วตกนรกเหมือนกันวันณะใดที่ทําบุญทํากุศลตายแล้วเกิดเป็นสวรรค์เหมือนกัน วันหนใดที่ออกบวชประพฤติปรมาจารย์เป็นผู้มีศีลมีกัญญาณธรรมมันดีก็ได้รับความยกย่องนับถือบูชาจากประชาชนเหมือนกันมันเหมือนกับไม้ที่สารพัดไม้เอามาก่อก็เอามาติดไฟข้าวมันก็ร้อนเหมือนกันมันก็มีควันเหมือนกันมันไม่มีความแตกต่างกันนี่คือหลักของพระพุทธเจ้าเพราะในจากหลักที่เผยแพร่ไปเช่นนี้ทําให้พวกจันทานก็มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงขึ้นมีเหตุการณ์ที่ น่าเศร้าสลดคราวหนึ่งในสมัยพุทธกาลก็ที่จริงก็ไม่น่าเศร้าสลดเท่าไรมันน่าสมน้ําหน้าพวกพรามอ่ะเออก็เนี่ยที่ดาเศรษฐีแบบนี้เหมือนกันพราหมคนเอจันทานคนหนึ่งแกเดินสง่าเพราะว่าคนก็จันทานเนี่ยเดินทับเงาก็ไม่ได้นะเดินเงาทับกันก็นไม่ได้คือถือเป็นเสนีดยดจังไรพวกนี้ต้องคอยหลบต้องคอยเคาะเกาะเป็นสัญญาณรู้ว่าจันทานมาแล้วท่านทั้งหลายต้องหลบ หรือไงานก็คนทั้งหลายที่จะไปนี่ก็ต้องให้สัญญาณเพื่อให้พวกจันทา์หลบพราถ้าไม่หลบมันก็จันทา์ก็จะถูกทุบตีแต่คนนี้แกก็เชื่อหลักของพระพุทธเจ้าแกไม่ยอมฮะแกไม่ยอมหลบแกเดินแกเรื่อยเดินก็มาตัดหน้าเขา อ, อย่างเงี้ยผู้หญิงคนนี้ก็เอาน้ําจานมาล้างตาแล้วกลับเหมือนกันเหมือนกันเลยฮะตรงนี้เหมือนกันเลยนายนี้ก็โดนซ้อมเหมือนกันแต่ว่าซ้อมอะไรแกไม่ยอมอ่ะ สอบแล้วแกก็บอกแกถือว่าแกไม่ผิดแกก็มีสิทธิในฐานะที่แกเป็นคนคนหนึ่งก็ไม่ได้แตกต่างอะไรระหว่างวรรณะเพราะงั้นไอ้บาดเจ็บเหล่านี้มันก็เป็นหนี้แค้นที่จะต้องชาระแกก็กลับแกก็ไปที่บ้านผู้หญิงคนนี้เลยไปถึงนอนขวางประตูบอกแกต้องเอาผู้หญิงคนนี้เป็นเมียให้ได้ถ้าไม่งั้นแกตายตรงเนี้ยื่นคำขาเด็ ด, ดขาดทีนี้พวกพรามมาจับจับจนธานไม่ได้นะะมันเป็นเสนีย์ ก็มันยุ่งมันยุ่งตอนนี้มันยุ่งมากเลยทีนี้จะให้พวกจันทันมาจับจันทันจันทันมันก็เชียร์พวกมันเองมันไม่ยอมมาจับให้จะให้ใครทํามันก็ไม่มีใครกล้าแต่ต้องทีนี้มันมีสูตรอีกสูตรหนึ่งซึ่งแรงมากเลยถ้าจันทันมาตายอยู่บ้านพราหมณ์คนใดเนี่ยรัศมีเจครัวเรือนต้องเป็นจันทันหมดเลยมันถือแรงขนาดนั้นทีนี้มันก็เดือดร้อนมันก็กลายเป็นประชาติ คือข้างนอกพวกพราหม์ที่ข้างนอกซึ่งเขาไม่รู้อนโอยนี่ย เ, เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันถ้าไอ้นายนี่ตายละกูแย่แน่เลยทีนี้เป็นจันทรทานไปดื้อๆแต่นั่นเองเศ็ดทีก็ไม่ได้ทําไงก็ขนเงินมากองให้เลยบอกให้เงินทั้งหมดเนี่ยจะเอาอยัางไงก็เอาแต่พอคุณลุกขึ้นไปสักทีอันนี้ก็ไม่เอาเอาลูกสาวคนเดียวตอนนั้นเนียอย่างอื่นไม่เอาพอเอาก็จริงก็อดข้าวหลายวันชักจะตายาจริงอะทางชาวบ้านไอเจ็ครัวเรือนรอบบริเวณเนี่ยต้องบีบอะ ยอมสละลูกสาวคนหนึ่งไม่งั้นแล้วเป็นจันทันหมดทั้งหมู่บ้านนะตายแน่เลยตกลงเอาได้เนี่ยตินนี่ถือว่าเป็นชายชนะขนาดใหญ่พวกจันทันแห่แหนกันสนุกนะแต่เราก็ทําให้จันทันกระเตื้อขึ้นเยอะเลยฐานะทางสังคมเพราะในความคิดในแนวนี้เราจะพบว่าอินเดียนั้นเป็นมรดกบาปที่น่าอาเนจอนาถจนถึงปัจจุบันนะฮะจันทันอินเดียมีมีสมัยมาไปอยู่ในหกสิบล้านนะมีอยู่หกสิบล้านซึ่งต้องกินต้องอยู่ต้องใช้แต่ไม่มีงานทํา แก่อะไรมากินแกก็ต้องขอแกก็ต้องขอแกก็ต้องอะไรไปตามเรื่องแก่คนเป็นอันมากที่ไม่ได้ทำงานแต่ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้เพราะงั้นอินเดียนถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้และโอกาสโอกาสที่จะแก้ปัญหาสังคมนี่แก่ยากมากคนว่างงานต้องหกสิบล้านไม่ใช่ธรรมดาไม่เฉพาะจันทันนะฮะยังวันน้าอื่นอีกอพวกพวกสูตรพวกอะไรต่ออะไรอีกเออนี่ก็ แต่ว่าคนทั้งสองท่านนี้เราจะพบว่าต่อมาก็มาคือพระพุทธเจ้า ก, กับพระโพธิสัตว์ท่านก็ไม่รุนแรงในแนวนั้นคือแทนที่จะไปแก้แค้นโตตอบใช้วิธีรุนแรงท่านก็ไม่เอาก็ชักจะมีเลี่ยมหน่อยเหมือนกันนะคือถึงเป็นพระโพธิสัตว์ก็ตอนนั้นแสดงว่าบารมียังไม่ค่อยแก่กราอะไร ท่านก็ไปปลอมบวชเป็นพราหมณ์ทีนี้ไอ้เพืเ่อนเจ้าปลอมศึกษาในสำนักพรามไอ้การปลอมในที่จริงถ้าหากว่าเราศึกษารู้เขาเรียกว่ามายาฮนะมันคล้ายๆโคตรที่เขาติดต่อกันในหมู่เขาเนี่ยถ้าเรารู้มายาเขาเราก็เข้าไปคลุกในหมู่เขาได้แต่ถ้าเราไม่รู้มายาเขาประเดี๋ยวเขาก็จับได้เพราะในด้านในรูปร่างหน้าตามันก็ไม่ต่างอะไรกันแต่งตัวไว้ผมแบบพราหมณ์มันก็กลายเป็นพราหมไปได้ แตย่าลืมเขามีโค้ดคล้ายๆกับมายาเนี่ยเป็นมายาคือหมายความว่าถ้ากษัตริย์ผู้กษัตริย์ก็ส่งคล้ายๆอะไรโค้ดอะไรกับเขาเนี่ยแล้วก็จะตอบกันได้ก็จะรู้กันได้ก็แสดงว่าสองท่านนี้รู้มายาของพราหมถึงข้าไปอยู่ในสำนักพราหม์ไดออ้ระบบการศึกษาในสมัยนั้นก็มีอยู่สองแนวก็ไม่แยบสมัยนั้นสมัยก่อนจากจากนั้นก็เหมือนกันนะฮะจะมีอยู่สองแนวในหนึ่งเขาเรียกว่าธรรมันเตวาสิ คืออยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์แต่ไม่จ่ายค่าเล่เรียดรับใช้ปฏิบัติเหมือนกับลูกหลานทํางานทุกอย่างเหมือนกับลูกหลานภายในบ้านแต่แล้วอาจารย์ก็สั่งสอนให้ึงส่วนมากเขานิยมศึกษาในวิธีนี้เพราะใกล้ชิดครูบาอาจารย์ดแีแม้แต่หมอชีวกก็ศึกษาแนวนี้นะฮะในยุคหลังแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือศึกษาโดยการเสียเงินส่วนมากเป็นลูกเศรษฐีลูกกษัตริย์แต่ก็ห่างอาจารย์หน่อยแต่ไม่ต้องทํางานก็ สองคนนี้ก็ไปศึกษาในสำนักของพราหมณ์เรียกทิสาปาโมกอาจารย์ทิสาปาโมกจากจุดนี้ท่านจะเห็นว่าในความไม่รู้ระเบียบกฎเกณฑ์เงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดผิดพลาดหรือแสดงพิรุธออกมาทั้งสองคนนี้แท้ที่จริงก็มีความฉเฉลียวฉลาดมากแต่เอาข้าจริงแล้วมันก็คุมอะไรไว้ไม่ได้ ก็ต้องแสดงไอ้พื้นเดิมออกมามันก็เหมือนกบอะไรนะฮะเหมือนกับว่าก็เป็นลักษณะของการเสแสร้งคือถ้าหากว่าไม่เกิดจากพื้นฐานทางด้านจิตใจ จ, จริงๆเราอาจจะทำติมๆเรียบร้อยเป็นพูดดีในท่องคำพูดของผู้ ด, ดีมาได้แต่พูดพูดพอโดนกระแทกอะไรเข้ามารแรงๆบางก็จะแสดงสันดานคือพื้นเดิมออกมาให้ปรากฏ ก็กลายเป็นคนที่เป็นอย่างที่เขาเป็นเพราะงั้นจันทานสองคนนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อตอนนั้นก็เป็นมารยาคือก็แสดงไปแต่ว่าไม่รู้อะไรละเอียดแล้วก็ขาดการควบคุมเกิดเพ้อเรอขึ้นมาพลาดนิดเดียวนะฮะก็เสียไปตลอดชีวิตจึงท่านท่านทั้งหลายเห็นว่าจุดเด่นของสองคนนี้ในด้านความรู้ความสามารถ ในการศึกษาเราเรียนก็ <ๆ S 1> กเก่งเพราะกลายเป็นผู้นำคนอื่นแต่ว่าจุดสำคัญก็คือความเผล อ, อการขาดสติเพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นเองก็เกิดผลเสียหายขึ้นมาได้เพราะงั้นในบทเรียนตรงนี้บทเรียนที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือหนึ่งเรื่องสติก็สองการกระทำอะไรอย่าทำในลักษณะมายาคือเสียแซงก็คล้ายๆกับหนุ่มสาวพอเริ่มรักกันก็ปกปิดสันดานที่เดิมเอาไว้นะฮะ ยิ้มหวานก็าหากันอย่างนั้นอย่างนี้พอเสร็จแล้วพออยู่กันหน่อยเดียวก็แสดงสันดาณดิบออกมาแล้วทีนี้บ้านพังก็กลายเป็นการอยู่บางทีก็เป็นการอยู่ระหว่างอยักษ์กับยักษ์นาพอผําเนา น, นะเพอตีกันได้แต่ว่ายักษ์กับเทพธิดามันชักจะยุ่งหน่อยเทพธิดาก็สาหัสไปแต่ยักษ์ไอยักษินีกับเทพบุตรเทพบุตรก็ไม่กล้าเข้าบ้านเพราะกลัวยักษินีแล้วก็บ้านมันก็ไม่สงบนอกจากจะ แสดงพื้นอัธยาศัยที่เป็นพื้นกันมาจริงๆซึ่จึงกลายเป็นการอยู่ร่วมกันของเทพประบุรกับเทพทิดาบางก็บ้างก็เป็นสวรรค์วิมานไปได้ลักษณะของการกระทำอะไรก็ตามเรื่องมารยาซึ่งเป็นอุปกิเลสประการหนึ่งนั้นมันมันจะรักษาอะไรไว้ไม่ได้นานเพราะไม่ใช่ตัวฐานที่แท้จริงคือไม่ใช่ทองแท้เป็นทองปลอมในที่สุดเขาก็จับได้มารยารู้แต่เจ้าจึงทรงสอนว่าเป็นอุปกเลสที่จะต้องขจัด จะต้องมีการแสดงจริงๆออกม า, าทั้งคือใจยังไงาการแสดงออกมาก็ต้องอย่างนั้นความเป็นจริงอย่างไรก็ให้ปรากฏแก่สายตาบุคคลอื่นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นที่เรายกจ้องก็คือยถาวารีตถาการียถาวะอะตยถาการีตถาวาดีคือทรงพูดอย่างไงทําอย่างนั้นทำอย่างไงพูดอย่างนั้นสิ่งที่พระองค์พูดก็คือสิ่งที่พระองค์ทาสิ่งที่พระองค์ทําก็คือสิ่งที่พระองค์พูด เพราะว่าอะไรที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นคือสิ่งที่พระองค์สอนจากการประพฤติปฏิบัติที่สำมผัสมาด้วยพระองค์แล้วเองแล้วทั้งนั้นจึงกลายเป็นผู้ไม่มีปัญหาในเรื่องการสั่งสอนเพราะทรงสั่งสอนจากสิ่งที่พระองค์ปฏิบัติได้เลยข้ามพ้นพวกอากุศุทุจริตไปได้หมดแต่ถ้ายังมีลักษณะเสแสร้งยังมีลักษณะของมายาอยู่ แล้วก็มีปัญหาในการดํารงชีวิตในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอยู่เรื่อยไปต่อมาท่านจะเห็นว่าในในแง่ของของดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้มันสะท้อนอะไรเห็นอะไรฮนะสะท้อนให้เห็นตามหลักที่เคยพูดมานานตอนตอนเริ่มบรรยายพระสูตรใหม่ๆนะครับคือตามหลักของมหากรรมวิพังกสูตรและแสดงหเห็นว่า อาการที่ฤาษีสององค์ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเป็นเนื้อเนี่ยมันก็เสียเชิงฤาษีไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะฮะแต่ก็ได้หมายความว่าเป็นอกุศลกรรมในอดีตเป็นอกุศลกรรมในอดีตของท่านมาแต่งให้เกิดเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเนื้อทีนี้ไอ้ตายจากเนื้อนี่เป็นเรื่องน่าคิดนะฮะว่าตายจากเนื้อแสดงว่าเวลานั้นก็ใจผูกพันเอาเขามาชนกันแล้วก็ยืนกันด้วยความสนิทสนม ก็แสดงว่ากระจมันก็อยู่ด้วยราคะด้วยความยือใหญ่โนะดยความสินเนหาถึงแม้จ ะ, เ, ะ เ, ปเป็นเป็นเนื้อก็ตามแต่ว่าใจมันก็ตกอยู่ในพวกสินเนหาเพราะฉะนั้นไอ้ตายด้วยใจที่เป็นสนเหามันก็กลายเป็นนกต่อไปซึ่งอาจจะเป็นอดีตกรรมไกลหรืออดีตกรรมไม่ใช่ปัจจุบันใกล้ๆก็ได้เพราะการไปเกิดในทุกขติที่มีความขัดแย้งกับการกระทาของบุคคลนั้น คือหายความว่าในปัจจุบันบุคคลทําความดีเนี่ยแต่ว่าตายแล้วไปเกิดไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะเงืเ่อนไขในมัน2เงื่อนไขหนึ่งอดีตกรรมในอดีตที่เป็นกุศลไม่ใช่ที่เป็นอกุศลมาให้ผลในขณะนั้นคือมาทําหน้าที่เป็นอาศนักรรมกรรมเมื่อจนจะตายก็เกิดไม่ดีได้อีกประการหนึ่งนั้นก็ทําดีมาตั้งนานแล้วมันใจมันเกิดขุนมัวขึ้นมาในขณะจะดับจิตนั่นเอง เจนเกิดเหนียวเกิดเสียดายเกิดหวงเกิดแค้นเกิดโกรธแล้วก็ดับไปด้วยความโกรธดับไปด้วยความเสียดายดับไปความด้วยความหวงใหญนะฮะจึงจิงๆส่วนมากสมภารขี้เหนียวนี่ตายไปเกิดเป็นพระภูมิเยอะเลยเป็นหวงสมบัติไอตอนอยู่ก็ไม่ยอมใช้จ่ายแบ่งปันให้ใครพอตายไปก็เป็นห่วงกลัวคนอื่นจะมาใช้สมบัติเลยตายเป็นพระภูมิผสมนำหน้าอยากโง่ดีนะเออแต่นี่กม็มันก็อยู่ที่อาสศนักรรม อาสานกรรมของของบุคคลเหล่านั้นที่เหนียวขึ้นในขณะนั้นๆอย่างที่เคยอุปมาให้ฟังว่าไม่ใช่อุปมาให้ฟังคือท่านอุปมาไว้นะฮะท่านอุปมาไว้ว่าอาสานกรรมเนี่ยที่จริงมันไม่ใช่ใหญ่อะไรอาสานกรรมแกจะแทรกกรรมอื่นได้หมดนอกจากอนันตเดกรรมคือกรรมที่บาปสุดกับฌานนะฮะฌานนั้นเป็นกรรมที่กรรมอื่นก็แทรกไม่ได้ ถ้าอนันตเรกกรรมอนันเยกรรมกับรูปฌานไม่มีเรือรูปฌานไม่มีนี้อาสนกรรมแก่แทรกได้หมดเลคนเราอาจจะทําความดีอาจจะสร้างสาลาอาจจะสมาทานอุโบสถตเียแต่แต่ไม่ได้หมายความบรรลุมรคนะฮะบรรลุมรคนเพื่อนแทรกไม่ได้เหมือนกันถ้ายังถ้ายังอยู่ในกุศลระดับโลกิยะเนี่ยอาสนกรรมดีหรือไม่ดีอาสนกรรมที่ไม่ดีแก่แทรกให้ผลได้ เพราะขนาดพระนางมาลีกาเทวีอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนานนั่นเนี่ยคือท่านดีจังเลยนะเป็นเป็นเป็นคนที่หายากที่สุดแต่พอก่อนจะดับจิตนี้เดียวใจเกิดขุนมัวขุนมัวใช่ตอนนั้นตอนจะดับจิตมันก็เหมือนกับขับรถถูกมาแล้วกเกิดเกิดเลี้ยวผิดนั่นเองเลี้ยวผิดเลยก็หลงทางทั้งทง ท, งที่ถูกมาตั้งร้อยกิโลหลายร้อยกิโลไปแล้วนี่ก็คือเรื่องของสังสารวัฏที่เราเหยียดการออกไปก็จะพบว่า มันมีความสลับซับซ้อนอยู่ในเงื่อนไขของกรรมทีนี้จากการเกิดเป็นเนื้อก็ดีจากการเกิดเป็นนกก็ดีจึงเป็นผลของอกุศลกรรมในอดีตรหรือจิตใจที่เหนียวนึกอยู่ในขณะนั้นถ้าถ้าดูลักษณะแล้วมันก็เป็นพร้อมจะพร้อมจะเป็นอาสันกรรมในขณะนั้นคือจิตมันตกอยู่ในสิเนหาคือความเยื่อใ่ความเยื่อใยความผูกพัน ชั้นที่ทีมก็มัก ก, ก็มีราคะมีโลภะอยู่นะฮะถึงแม้จะจะเป็นอะไรก็ตามคือระดับนี้ก็มีราคะมีโลภะที่หุ้มห่อใจอยู่ทำให้พวกชาติเปลี่ยนแต่เราจะเห็นว่าตาจากนกก็ไม่ได้ทำกุศลอะไรอะตอนเป็นนกแต่มันปุ๊บเดียวเดือขึ้นไปนน่์นเลยหายไปเลยไปเป็นคนหนึ่งไปเป็นบรโรหิตคนหนึ่งไปเป็นโอรสของกษัตริย์นี่เพราะอะไรเพราะกุศลและกรรมในสมัยโน้นนะฮะสมัยรุศี ตามมาห้ามผลตรง น, นี้ท่านพูดถึงอัปปราประเวทนิยกรรมท่านชื่นชมในอัปปราประเวทนิยกรรมกรรมชุดนี้มันมีอยู่สี่กรรมนะฮะคือทิฏฐธรรมะเวทานียกรรมกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันและอุปา ป, ปชาวเวทนิยกรรมกรรมให้ผลในชาติต่อไปคือว่าตายจากชาตินี้แล้วก็ให้ผลในชาติต่อไปแต่นี้ทั้งสองท่านนั้นได้ผลของอัปปราประเวทนิยกรรมคือกรรมที่ตามมาตั้งแต่ ชาติที่สเฉพาะที่ท่านโยงได้นะฮะแต่ว่าชาติเป็นนกกับเป็นเนื้อท่านก็คงโยงไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าท่าไม่ได้อภิญญาแต่เป็นการระลึกชาติด้วยบุญดานั้นเองคือเป็นความสําเร็จด้วยบุญถ้าเรามองในแนวนี้ให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าคนบางคนที่แกร ะ, ระลึกชาติได้หรือว่าเรียนอะไรได้เร็วนั้นแสดงให้อย่างหนึ่งว่าแกไม่ผ่านภพชาติมากหมายความว่าตายจากคนปั๊บเกิดเป็นคนไนงะ ตายเร็วแล้วไม่มีอะไรไปขวางไว้ไม่ได้ไปเกิดเป็นลิงเป็นข้างอยู่ที่พักหนึ่งนะมาเกิดเป็นคนอย่างนั้นสติปัญญามันก็หายไปแยะหรือไปตกนรกไปหรือไปขึ้นไปอยู่ที่อื่นเสีย น, นานนะฮะไอวิชาความรู้มันก็ตกอยู่ข้างล่างกว่าจะลื้อฟื้นขึ้นมาได้มันก็นานมันก็เป็นพวกอนุสัยเหมือนกันแบบเดียกอนุสัยแต่มันมันเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมธาตุคือเชื้อ ข, ของความดีแต่นั้นเองมันก็สงบอยู่ก็กว่าจะดึงขึ้นมาได้มันก็ช้าหน่อย การระลึกชาติไ <contrario> ด <ain> ้ก็เหมือนกันคือผู้ระลึกชาติด้วยบุญเนี่ก็ไม่เคยพบมากนะฮะไม่ได้ระลึกชาติมากแต่อย่าลืมว่าท่านจิตตะหรือศีนั้นท่านเป็นฤาษีท่านเป็นฤาษีท่านได้บำเพ็ญเพียรทางจิตแล้วก็ได้ไอพิญญาท่านระลึกชาติได้เกินสีชาตินั้นอีกทีหลังนะฮะได้เกินสีชาติอีกเพราะฉะนั้นท่านจึงมองได้ความสลับซับซ้อนเนี่ยความสลับซับซ้อนว่ามันเป็นคนละเหตุคนละผลกัน ไอาการที่ท่านต้องเกิดเ ป, เป็นเนื้อก็ไม่ใช่เพราะบวชเป็นฤาษีหรือที่เกิดเป็นนกก็ไม่ใช่เพราะบวชเป็นฤาษีแต่ว่าการเกิดเป็นเนื้อเป็นนกนั้นก็เพราะอาดีตกรรมในชาติก่อนจากที่เป็นลูกยันทานแต่อีกท่านก็ดึงกับท่านได้จากจุดตรงนี้แหละเป็นจุดที่น่าศึกษาอยู่ประการหนึ่งก็คื อ, อหรือมันเคยบอกไว้ไทิฏฐิหกที่พระพุทธเจ้านำมาแสดง เป็นตาข่ายนะฮะเรียกว่าพรหมชาลัสูตรคือสูตรที่เหมือนกับตาข่ายพรหมมันคลุมหมดโลกเลยคลุมความคิดของมนุษย์โลกไว้ทั้งหมดคือจะไม่รอดตาข่าย1ิบสข้อไม่นี่ไปได้เอ๊หกข้อนี้ไปได้เลยไม่ว่าใครคิดก็ตามมันคลุมไว้หมดเลยไอ้จากความคิดเหล่านั้นมันก็เกิดจากความรู้ที่จํากัดจําเขี่ยของแกอยังความรู้ของท่านสัมภูตะ ร, ราชานั้นเราจะพบว่าแกเล็งจากจุดที่เป็นจันทานมาหาจุดที่เป็นราชาเท่านั้น เพราะงั้นก็ท่านก็มองได้ว่าการกระทําความดีของท่านก็ทําให้ท่านเป็นประราชาที่จริงมันตรงตัวนะฮะตรงตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าความดีชาตินั้นอย่างเดียวอาจจะเป็นความดีในชาติอื่นก็ได้ไม่ใช่เป็นข้อยุติเสมอไปเพราะในแง่ของสังสารวัฏแล้วชีวิตเรามันก็ผ่านสังสารวัฏมาเยอะท่านฤาษีท่านจิตตะฤาษีท่านมองได้ตลอดกว่านั้นเพราะงั้นก็ท่านก็เชื่อมโยงได้ว่าการที่น้องชายของท่านชื่นชมอยู่กับไอการเกิด เป็นประราชาเนี่ยสแสดงว่าการกระทําความดีของท่านทําให้ท่านเกิดเป็นปราชาเพราะนั้นจะอยู่ทําความดีต่อไปแต่ฤาษีบอกมันไม่แน่เสมอไปเนื่องจากไอความสลับซับซ้อนของกรรมเนี่ยจากฤาษีแต่ว่าท่านไม่ได้ฌานนะฌานก่อนถ้าได้ฌานก็ไม่เกิดเป็นเนื้อหรอกออจากฤาษีมันเกิดเป็นเนื้อได้แล้วจากเนื้อมันกลายเป็นนกได้แล้วจากนกมากลายเป็นปราชาเป็นปุรุหิตได้นี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจ ซ, ซึ่งในจุดนี้ทำให้เรามองอย่างอื่นนะฮะอย่างอื่นได้อย่างปัญหาในวงวิชาการเวลาเนี้ยนักวิชาการชอบพูดนักวิชาการม น, นักสถิติบางทีสถิติตั้งปึ้งก็เขียนเขียนแล้ว ม, มีใครอ่านนะเนเสียดายหมึกเกินเออเขาเขาบอกว่าทำไมคนสมเอตอรหัตมากนะฮะคนสมเอตอรหัตก็มากแล้วก็ทำไมก่อนประชากรโลกน้อยแต่ทำไมสมัยนี้ประชากรโลกมากมันมาจากไหน พวกนี้จะมองแบบทฤษฎีวิวัฒนาการของชาญดาวินแต่เราก็ไม่นึกว่าในแง่วิวัฒนาการถ้าเรามองในแง่กรรมแล้วนี่สัตว์มันเกิดเป็นคนได้โดยเราลืมไปว่าไอสัตว์มันตายเท่าไหรไอสัตว์ศูนพันไปกี่พันล้านแล้วจริงๆมาเกิดในโลกมนุษย์น้อยไปหน่อยหรือทั้งไปเน่เกิดที่ไหนกันหมดไปหมดเอ่อแล้วคนที่บรรลุอรหรัตกับรรลุอรหรัตไปอย่างในทันตสูตรนี่พระพุทธเจ้าทรงสรแสดงมั น, ม, นมันเหมือนกับโยนท่อนไม้ขึ้นบนอากาศมันมีการเคลื่อนย้ายทางวิญญาณได้ แล้วที่ทสาคัญก็คือสัมโนวิญญาณเดิมเราไม่รู้มีเท่าไหร่ถ้ารู้สัมโนวิญญาณเดิมพอหักออกไปเท่านั้นเท่านี้นี้เราไม่รู้ว่าสัมโนวิญญาณพระพุทธเจ้านับไม่ไหวท่านบอกอนันตังวิญญาณนางมันนับไม่ไหวอนันตังวิญญาณนงวิญญาณหาที่สุดไม่ได้ไม่รู้จะนับยังไงไม่มีตัวเลขให้นับเพราะงั้นในการที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นนั้นจึงเป็นองในแง่ทั้งสารวัตรไม่ใช่มีปัญหาเป็นวิวัฒนาการของด้านวิญญาณ กิด้านจิตวิญญาณของบุคคลด้วยแรงผลักดันของกรรมอาจจะตายปุ๊บมาจากปลาที่เรากินแกนะแล้วแกก็เกิดมาเป็นลูกเราก็ได้บางทีว่างๆนะก็มันก็ไม่แน่เสมอไปซึ่งซึ่งเราจากดูตัวอย่างที่พระเจ้าเล่าเนี่ยเล่านี่เราเราถ้าถ้ า, ถ, าถ้าเรามองเพียงจุดเดียวมันก็สับสนแล้วเออฤษีอุสาบวชตั้งนานตายไปเกิดเป็นเนื้อมันก็เสียเชิงฤษีจัง แต่ถ้าเรามองในแง่ขบวนการของกรรมไม่ใช่เพราะความเป็นฤาษีและทําให้เป็นเนื้อแต่เพราะอกุศลกรรมทําให้เป็นเนื้อทีนี้มาถึงจุดที่อาศัยความผูกพันนะครความผูกพันคือความหวังดีซึ่งเราซึ่งเราก็จะต้องมองกันด้วยความเข้าใจคล้ายๆกับพ่อแม่เป็นหมอเป็นครูเป็นอะไรก็มีความชื่นชมในความเป็นของตนก็ต้องการจะให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างที่ตัวเป็นบ้าง แต่ปัญหาว่าพื้นฐานของลูกเนี่ยแกพร้อมที่จะรับความเป็นเหล่านั้นหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ไม่ไปฟังอีราอะไรล่ะบางทีแม่กับลูกก็ทะเลาะกันต้องการจะให้ลูกเป็นอย่างที่ตัวต้องการเป็นแต่ลูกไม่ชอบไปความเป็นอย่างนั้นอ่ะแกก็ต้องการจะเป็นอย่างอื่นในที่สุดก็เกิดขัดแย้งกันก็พูดกันไม่เข้าใจเด็กก็ว่าคนแก่เป็นไดโนเสาร์สะสะล้านปีก็ว่ากันไปก็เป็นช่องว่างทางความคิดดังนั้นไอไอการมองโลกเราจะเห็นว่ามองกันสองคนก็มองกันคนละมุม ท่านฤาษีนั้นท่านได้ฌานแล้วท่านมองในแง่ของฤาษีเลยมองในแง่ว่าชีวิตมันควรจะบริสุทธิ์สูงส่งอย่างน้อยก็ระดับเดียวกับที่ท่านสัมผัสเพราะท่านเอามาเทียบกับความเป็นพระราชาของท่านกับความเป็นพระราชาของพระเจ้าสัมพูตะกับความเป็นฤาษีของท่านท่านมองในแง่ของพัฒนาการทางด้านจิตว่าท่านพัฒนาไปได้ดีกว่าและโอกาสที่ท่านจะทําบาปนั้นน้อยกว่าส่วนพระราชานั้น มันก็เป็นกันมาเยอะแยะนะฮะในสังสารวัติแล้วก็ก็ทำบาปทำกรรมกันบางทีก็จากพระราชาตายไปตกนรกหายไปเลยนะอย่างพระเจ้าอะไรนะปิงคิยะพระเจ้าปิงคิยะนี่แกแกขอดเขี่ยมหรืคดมากเลยพอเบียดเบียนรังแกประชาชนสารพัดพอแกตายนะพอแกตายคนอื่นก็เฉลิมฉลองกันใหญ่ ไอานายประตูคนหนึ่งนั่งร้องไห้เป็นวักเป็นเวนเลยคนก็มาถามว่า น, นีคนอื่นเขาที่ออกดีใจพระเจ้าปิงกิยะตายเนี่ยทำไมเธอมาร้องไห้อะแกบอกหมกลัวเหลือเกินว่าพระเจ้าปิงกิยะตายแล้วจะไปเบียดเบียนนายยมโลกพระยาโยมจะส่งกลับมาเป็นปราชาแล้วเคหัวเข้าพรเจ้าอีกคือว่าแกไปเดินผ่านประตูแกเคกหัวยามทุกวันเลยายามคนนี้เป็นห่วงเป็นใหญ่คือกลัวจะเกิดมาอีกนะฮะไม่ใช่ว่าร้องไห้เสียดายอะไรกลัวจะเกิดมาอีกก็คือว่าเคหัวแก นะเพราะเพรา ะ, เพราะงั้นไอ้ไอโลกทัศน์คือการมองเนี่ยมองมองชีวิตจากสายตาของท่านผู้ที่เบาบางท่านก็มองว่าอันนี้เป็นแหล่งของบาปเป็นทางให้เกิดบาปยังคล้ายๆกับพระเตมีนะครับเตมีท่านรันลืกชาติใดท่านไม่พูดใช่ไหมเจ้าเตมีทุกวันนะเตมีทุกวันมาอีกเรื่องหนึ่งเตมีสมัยโน้นนะท่านท่า น, ท, านท่านไม่พูดเพราะไม่ต้องการเป็นเป็ น, ปนไอ้พระราชาแต่นั้นเอง เนื่องจากมองนึงกว่าเออชาติก่อ น, เ, นเราเป็นปราชาเราสั่งประหารคนเราทำบาปเสร็จแล้วเราก็ไปตกเป็นนรกอย่างนั้นอย่างนั้นประสบความเดือดร้อนไอ้ความเดือดร้อนเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นมาจาก ก, การเป็นปราชาการเป็นปราชาเป็นเหตุได้สั่งประหารคนการสั่งประหารคนเป็นเหตห ar, ุได้ตกนรกการตกนรกก็เป็นความทุกข์ทรมานเพราะงั้นไม่ต้องการความทุกข์ทรมานก็ท่านแก้วิธีโดยไม่พูดเสียเลยนี่ก็คือเรื่องการการมองโลกและเราจะพบว่าการมองในแนวนี้อย่างท่านผู้บริสุทธิ์จริงๆเช่นพระพุทธเจ้าท่านมองเนี่ย บางที่เราก็ข้าวไม่ถึงนะยังยังมองไอ้การมาสุขันรายการโนโยกที่เรายื้อแย่งที่ต่อสู้มีการแสวงหาขอรับชันอะไรอะไรกันเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสแสดงฮิโนโอคัมโมโพตุชนิโกนรโยนันตสันนิโตนะพูดกับพระฟังกันรู้เรื่องไอ้ชาวบ้านก็ไม่ยอมอนะนัตสันนิโตอะไรสนุกจะตายก็พูดกันไม่เข้าใจเนื่องมาเป็นเป็นเป็นการมองจากสายตาใครมอง พระจาทรงชีหิโนโวเป็นของต่ำกามโมเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเดินโพสต์ชนิดก็เป็นคนกิเลสนะอนารยโยไม่ได้เป็นกิจกรรมประเสริฐอะไรอนาตตสานิโตไม่มีประโยชน์เป็นเรื่องของความฝันที่พอตื่นขึ้นมาก็คือความว่างปาเปล่าเนความว่างเปล่าเหมือนกับโลกของความฝันนั้นคือโลกกระทัดของระดับระดับสูงนะฮะท่านมองมาจากความรู้สึกของท่าน แต่ว่าชาโลกเรายังไงยังไงมันก็ติดความสุขจากการเกาแผลคันฮะก็ติดอยู่ที่เกาแผลคันคือปรคันแล้วก็เกากเกาก็รู้สึกว่าสบายก็อยู่ๆเพลินๆไปก็เกากต่อไปมันก็เกากันจนตายไปเลยเออก็เป็นเรื่องของความสุขชนิดที่เกาแผลคันเท่านั้นเองแต่ว่าท่านมองในความสุขที่ประณีตขึ้นไปกว่านั้นแล้วเป็นทางที่จะงดเว้นบาปกานั้นพวกนี้ก็กลัวกลัวสังสารวัตรฮะกลัวสังสารวัตรไปแล้วเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงเรียก ที่จริงไม่ใช่เรียกพระอย่างเดียวนะฮะถ้าถ้าถ้าเป็นพระพุทธธรรมรัตนที่เป็นอาราปนะท่านเรียกว่าภิกษุภิกษุนี่นั่งแต่ ม, มาทั้งชาวบ้านทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งพระทั้งเนรท่านเรียกว่าภิกษุพระพุทธเจ้าเรียกว่าภิกษุภิกษุนี้จึงไม่ใช่แบบพระนะฮะหมายถึงผู้ที่มองเห็นภายในสังสารวัตรภายที่การเกิดจากเอ่อทำอะไรไปตามอํานาจของกิเลสต้องเวียนว่ายตายเกิดซ้ำๆ ซ, ซ, ซ้อนๆเนี่ยเนี่ยประสบทุกทรมานต่างๆ คนเราถ้ามองกันในแง่ทั้งสารวัตรแล้วมันก็ไม่มีใครที่ไม่เคยได้เป็นนะฮะไอ้ตำแหน่งต่างๆที่ที่เราว่าเราเป็นก็เราลองดูเลว่าพระโพธิสัตว์ยังเกิดเจะกูลต่ำกว่าพระอนุ์จะอีกทั้งๆที่ว่าเป็นฤษีตอนเป็นจันทานพี่ชายก็เก่งกว่าตอนเป็นโคไม่รู้ไอตอนเป็นเนื้อไม่รู้ว่าใครเก่งกว่านะฮะแต่ตายพร้อมกันตอนเป็นนกก็เหมือนกันแต่พอพอเกิดอีกทีหนึง คนซึ่งเป็นน้องซึ่งไม่เก่งในชาติที่สี่มันกลับมาเกิดเป็นการสัตย์ได้คนหนึ่งกลับไปเกิดในตระกูลโปรหิตเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในในในแง่ของสังสารวัตรแล้วจึงทรงสแสดงว่ามันไม่มีอะไรที่คนไม่เคยเป็นตําแหน่งต่างๆในโลกนี้ทุกคนเคยเป็นกันมาแล้วแล้วก็เป็นซ้ําๆสากๆบ า, างทีก็เป็นติดต่อกันมาเยอะแยะเป็นพฤติกรรมที่ซ้ําซ้อนเท่านั้นเองก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องเนี้ย แสดงเสร็จแล้วก็จะสรุปว่าดูก่อนภิกษุทางหลายด้วยเหตุเพียงเพียงเท่านี้พอเพื่อเธอจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอารมณ์ท้งหลายจะลงมาอย่างนั้นลงมาอย่างนั้นเรื่อยว่าในในสักรวัตดอันยาวนานนั้นคนที่ไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นเป็นเป็นญาติพี่น้องกันนั้นไม่มีเลยโดยการที่เราต้องร้องห่มร้องไห้เพราะญาติพี่น้องตายไปถ้าน้ําตาไม่แห้งไปมันมากกว่าในมหาสมุทรเสียอีกไอกองกระดูกที่เราตายตายตายตายตายตเกิดตายเกิดตายเนี่ยถ้ามันไม่เสื่อมสลายไปเนมากกว่าภูเขาจะอีก เพื่อสอนสอนให้เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังสารวัตรมันมาทําพฤติกรรมที่ซ้ําซ้อนจําเจทำซ้ำซากๆบริหารร่างกายกันอยู่เนี่ยเราอุตส่าห์เอาอกใจมันจะแย่ร่างกายบทมันจะดื้อมันก็ดื้อเอามันจะป่วยมันป่วยเอาเอาอะไรกับมันก็หมายก็ได้เราก็ต้องเดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้เพราะงั้นในการมองโลกในแนวนี้มันจึงต้องอาศัยพื้นทางจิตนะ พื้นทางจิตใจที่จะเห็นแล้วก็พิจารณาเทียบเคียงได้ขนาดว่าบําเพ็ญบารมีกันมาด้วยกันนะครับพระเจ้าสัมผูตะนี่ไม่ยอมลูกเดียวก็พูดกันตั้งเยอะในคือชาโดงนี้ยาวมากนะแต่ว่าต้องพูดได้หมดด้วยเวลาหนึ่ง่งจมงเพราะงั้นก็จับเฉพาะประเด็นมายาวมากที่ต้องชี้แจงพร่ำอธิบายเรื่องการเรื่องโทษของกาลเพรนะาะมันมันมันเป็นเรื่องของการทวนกระแสอย่างแรงที่ คนซึ่งไม่ได้มองเห็นอีกด้านหนึ่งไม่ได้มองเห็นโทษอีกด้านหนึ่งจะพิจารณาไม่เห็นก็แต่เมื่อเราประสบก็คล้ายๆกับคนที่ถูกงูกัดสักทีเนี่ยวันหลังอาจะรู้สึกคือจะกลัวจะพยายามหลีกหนีจากงูแต่ถ้ายังไม่เจองูแล้วก็เพลินเพินอย่างนั้นเองเพราะงั้นวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือตราใดที่เรายังรับในด้านบวกก็รู้สึกว่าเป็นการเกาแผลคันเดี๋ยวนี้เราจะไม่ทิง แต่ถ้าวันไหนที่มันแรงสุดขีดจริงๆแล้วก็จะเลิกได้นะถ้าไม่เลิกได้ก็กรรมนาวัตตีโลโกโน้นะก็เป็นไปตามกรรมทัม้งเรื่องของาศาสตร์ทั้งหลายมันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นทีนี้ท่านท่านมองดูถึงว่าความผูกพันความผูกพันของคนของอโดยเฉพาะในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้ากับพระอานุนพระอนุนพระอนุนกับพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสตราชาติกันนะฮะแล้วก็เกิดพร้อมกัน แก็อยู่กันมาตั้งแต่เด็กอยู่กันมาตั้งแต่เด็กเรียนหนังสือก็เรียนด้วยกันไปเที่ยวก็เที่ยวด้วยการก็รู้สึกว่าถูกอัธยาศัยกันคนเดียวแล้วพระอานนท์นี่รู้พระพุทธเจ้านี่โดยไม่ต้องไม่ต้องถามอะไรเลยท่านรู้ท่านทํำได้ตลอดเลยเรียกว่ามองพระพักร์ปั๊บนี่ทำอะไรได้หมดเลยโดยไม่ต้องถามนั่นก็คือเรื่องของความเข้าอกเข้าใจที่สะสมไว้ในจิตสัญดานข้ามภพข้ามชาติมาเป็นเวลานาน มันก็กลายเป็นการเรียนรู้การเข้าใจกันทราบพุทธประสงค์แม้แต่มองมอ ง, มองหน้าในท่านทราบแล้วว่าจะให้ทํำยังไงไม่ต้องกราบทูลถามพระจะให้ข่าวพระองค์ปฏิบัติยังไงเขาไม่ทํากันหรอกถ้าว่ามือเลขาชั้นดีแล้วเขาไม่ต้องนะมองหน้าเจ้านายแล้วรู้ทันทีเลยนี่ก็คือเรื่องของความผูกพันที่สืบเนื่องกันมาในพบในชาติต่ตางๆและอีกอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายก็จะเห็นในแนวที่เราเรียกอะไรบุเพสถานิวาสนะครับ ภูพสันนิวาสคือการเคยอยู่ร่วมกันมาในชาติปางก่อนอย่างที่เคยบอกมารู้สึกจะบอกมาทั้งสองครั้งแล้วว่าภูพยสันนิวาสเนี่ยเราใช้ตามตัวตรงตามรูปแบบที่จริงโดยเนื้อหาแล้วถ้าเรากระจายจะพบว่าภูพยสันนิวาตไม่จําเป็นจะต้องเรื่องผู้หญิงกับผู้ชายเรื่องใครก็ได้เรื่องญาติพี่น้องก็ได้เรื่องพ่อแม่ลูกกันก็ได้เรื่องเพื่อนฝูงกันก็ได้เป็นเรื่องของศัตรูกันก็ได้ด้วยนะฮะมันเป็นภูพยสันนิวาสทั้งหมดเลยภูพยสันนิวาสทั้งหมด ซึ่งเราสามารถสังเกตได้ว่าด้วยบุเพสันนิวัตในทางลบที่เราเคยพบกันในสังสารวัตรนานบ้างไม่นานบ้างนะฮะคนบางคนเราพบหน้าก้าวเราก็ไม่ชอบหน้าแกทันทีเลยนะไม่มีปีมีคุยอะไรนะที่จริงมันก็มีทั้งปีทั้งคุยนะฮะแต่ปีครุยในอดีตเท่านั้นเองแล้วก็บางคนเราก็ชอบรู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยเคารพนับถืออบอุ่นเวลาพบกับคนเหล่านี้นี่ก็คือบุเพศานิวาตในด้านบวกแต่อาจจะเป็นอะไรก็ได้นะฮะ เพราะในพบในชาตินี้เราก็ไม่รู้ว่าเคยเป็นอะไรกันมาดังนั้นทางศาสนาท่านจึงไม่ต้องเอาไม่ไม่เอาเงื่อนไขเหล่านี้มาใช้มาใช้เป็นประโยชน์มาใช้เป็นประโยชน์ในการที่สำหรับคนที่มีกิเลสแต่ว่าจะใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้โทษของสังสารวัตว่าในสังสารวัตอันยาวนานนั้นเราก็พิจร์อยู่ในทะเลทุกมากมายด้วยกัน ก็เป็นเรื่องทีง่จะเกิดอีกมันก็ซ้ํำซากอีกฮะซ้ำซากมองเกิดเป็นเรื่องก็ซ้ำซากเรื่อยนั่นก็คือมองมองมาจากเบื้องสูงมองจุดเดียวกันนะฮะแต่แต่ก็เห็นไม่ไม่เหมือนกันดังนั้นเรื่องชาดกทั้งหมดที่ทกล่าวมาสี่ครั้งนะชาดกก็มีมาสี่ครั้งแล้วก็เป็นการชี้ในแนวกลางกรรมกับสังสารวัตร คือเน้นหนักในเรื่องกรรมกับสังสารวัฏและความผูกพันเงื่อนไขปัจจัยต่างๆที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันนั้นบางครั้งมันเป็นปัจจัยในอดีต ท, ที่เข้ามาสนับสนุนทั้งทางด้านบวกและด้านลบตึงตัวอย่างเหล่านี้รู้จ้าใช้มากอย่างที่บอกก็ใช้ตั้ง 547-550 เรื่องแล้วก็ไม่ใช่เล่าเพียงครั้งเดียวนะฮะเรื่องหนึ่บางทีเล่าทั้งหลายครั้งเล่าทั้งหลายแห่ง พอมั น, ม, น, ม, นมันเรื่องบังเอิญกันคือตรงกันพอดีก็เอาเรื่องนั้นก็นมาเล่าต่อเราแสดงว่าเป็นพระธรรมเทศนาที่ใช้มากนะใช้มากแล้วก็ใช้เป็นพิเศ ษ, ษ, ษโดยเฉพาะระดับพื้นฐานทั่วไปเพราะเราอาศัยรูปธรรมเรียนรู้นามธรรมก็ทําให้เข้าใจง่ายยิ่งขึน้นสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันวับแเดิ